เสนาสนวัตกถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในเสนาสนะสมัยนั้นภิกษุหลายรูปทําจีวร อ, อยู่ที่กลางแจ้งผู้ภิกษุชาพัคีเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลมฟุ้นทุลีฟุ้งกลบภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยตําหนิประนามโพลธนาว่าฉไหนพวกภิกษุชาภพคีจึงเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลมเล่า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 พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิทรงแสดงธรรมโกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติเสนาสนะวัดแก่ภิกษุทั้งหลายโดยที่ภิกษุทั้งหลายต้องประพฤติชอบภิกษุทั้งหลายตนอยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นสกปรกถ้าสามารถพึงชำระให้สะอาดเมื่อจะชำระวิหารให้สะอาด พึงขนบาทและจีวร อ, ออกก่อนวางไว้ณที่สมควรพึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนออกไปวางไว้ณที่สมควรเตียงต่างพึงยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครุดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนออกไปตั้งไว้ณที่สมควรเขียงโรงเตียงกระโถนพนักพิงพึงขนออกมาวางไว้ณที่สมควรพรมปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิม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 ใกล้วิหารใกล้น้ำดื่มน้ำใช้บนเนินเหนือลมพึงเคาะเสนาสนะใต้ลมพรมปูพื้นพึงผึ่งแดดชำระตกขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงผึ่งแดดเช็ดขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงตงังพึงผึ่งแดดชำระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตู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 ถ้าอยู่ในวิหารหลังเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่ายังไม่สอบถามก็ไม่ควรให้อุเทศปริปุชฌาการสาธยายแสดงธรรมไม่พึงตามหรือดับประทีปไม่พึงเปิดหน้าต่างไม่พึงปิดหน้าต่างถ้าเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับภิกษุผู้แก่กว่าพึงเดินตามหลังท่านและไม่กระทบท่านด้วยชายสังขาติภิกษุทั้งหลายนี้คือวัดในเสนาสนะของภิกษุทั้งหลาย โดยที่ภิกษุทั้งหลายต้องประพฤติชอบ 9. ก้าชันตาคารวัตกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในเรือนไฟสมัยนั้นผู้ภิกษุชาพาคีถูกภิกษุผู้เทระทั้งหลายห้ามในเรือนไฟ ไม่เกรงใจใส่ฝืนมากติดไฟปิดประตูแล้วนั่งที่ประตูฝ่ายภิกษุผู้เทระถูกความร้อนแผ่เผาจะออกก็ออกไม่ได้จึงเป็นลมสลบล้มลงบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงตําหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาพัคีถูกภิกษุผู้เทระทั้งหลายห้ามในเรือนไฟจึงไม่เกรงใจใส่ฝืนมากติดไฟปิดประตูแล้วนั่งที่ประตูเล่า ไฟภิกษุผู้เถระถูกความร้อนแผดเผาจะออกก็ออกไม่ได้จึงเป็นลมสลบลม้มลงครั้งนั้นแหละภิกษุเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลําดับนั้นพระผู้มีรร พ, พ ร, ะมระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าผู้ภิกษุชาวพาคัคีถูกภิกษุผู้เถระทั้งหลายห้ามในเรือนไฟไม่เกรงใจ ใส่ฟืนมากติดไฟปิดประตูแล้วนั่งเฝ้าที่ประตูภิกษุถูกความร้อนแผดเผาออกประตูไม่ได้จึงเป็นลมสลบลม้มลงจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงตาหนิทรงแสดงธรรมเมกถทรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุถูกภิกษุผู้เถระห้ามในเรือนไฟ จะใส่ฟืนมากติดไฟโดยไม่เกรงใจไม่ได้รูปใดใส่ต้องอาบัตทุกกฎภิกสุทั้งหลายอันหนึ่งภิกสุไม่พึงปิดประตูแล้วนั่งที่ประตูรูปใดนั่งต้องอาบัตทุกกฎภิกสุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดในเรือนไฟแก่ภิกสุทั้งหลายโดยที่พวกเธอต้องประพฤติชอบในเรือนไฟภิษุทั้งหลายภิษุผู้ไปเรือนไฟก่อน ถ้ามีเท่ามากพึงนำไปเททิ้งถ้าเรือนไฟรกพึงกวาดถ้าชานภายนอกรกก็พึงกวาดถ้าบริเวณรกก็พึงกวาดถ้าซุ้มประตูรกก็พึงกวาดถ้าสาราเรือนไฟรกก็พึงกวาดพึงบทจุนไว้พึงแช่ดินพึงตักน้าใส่ในรางไว้เมื่อจะเข้าไปเรือนไฟพึงเอาดินเหนียวทาหน้าปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดภิกษุผู้เทระทั้งหลาย ไม่ขี่การอาสนะภิกษุผู้นวกะทั้งหลายถ้าสามารถก็พึงบริการภิกษุผู้เถระทั้งหลายในเรือนไฟเมื่อออกจากเรือนไฟพึงถือตังสำหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลังจึงออกจากเรือนไฟถ้าสามารถพึงทําบริการภิกษุผู้เถระทั้งหลายในน้ำไม่พึงสงน้ำข้างหน้าภิกษุผู้เถระทั้งหลายแม้เหนือน้าก็ไม่พึงสงเมื่อสงน้าเสร็จก็มังจะขึ้น พึงให้ทางภิกษุทั้งหลายผู้จะลงสงภิกษุผู้ออกจากเรือนไฟภายหลังถ้าเรือนไฟปเปื่อยเปื้อนพึงล้างให้สะอาดล้างรางแช่ดินเก็บตั้งสำหรับเรือนไฟดาบไฟปิดประตูแล้วจึงพากันจากไปภิกษุทั้งหลายนี่คือวัดในเรือนไฟสําหรับภิกษุทั้งหลายโดยที่ภิกษุทั้งหลายต้องประพฤติชอบในเรือนไฟ วจ ก, กุติวัตถาว่าด้วยวัปฏิบัติในวจ ก, กุดีสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีกำเนิดจากวันณพรามทายอุจระไม่ยอมชำระเพราะรังเกียจว่าใครจะจับต้องของสกปรกมีกลิ่นเหม็นนี้ได้เล่าในทวารหนักของภิกษุนั้นจึงมีนอนอยู่ภิกษุนั้นจึงบอกให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายถามว่าท่าน ท่านถ่ายอุจระแล้วไม่ล้างหรือภิสษุนั้นตอบว่าใช่ขอรับบรรดาภิสษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าจะไหนภิกษุถ่ายอุจระแล้วไม่ล้างเล่าครั้งนั้นแลภิสษุเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิสษุนั้นว่าภิสษุทราบว่าเธอถ่ายอุจระแล้วไม่ล้างจริงหรือ ภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิทรงแสดงธรรมิกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุถ่ายอุจจาระแล้วเมื่อมีน้ําอยู่จะไม่ล้างไม่ได้รูปใดไม่ล้างต้องอาบัดทุกกฏสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายถ่ายอุจจาระในวัชกูดีตามลําดับพรรษาภิกษุผู้นวกะทั้งหลายถึงก่อนปูดอุจจาระก็ต้องรอ กลั่นอุจระจนเป็นลมสลบลม้มลงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายถ่ายอุจระในวัจกดีตามลำดับพรรษาภิกษุผู้นวกะทั้งหลายถึงก่อนปวดอุจระก็ต้องรอกลั่นอุจระจนเป็นลมสลบลม้มลงจริงหรือ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงทําการถ่ายอุจจาระตามลําดับพรรษารูปใดทำต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระตามลําดับผู้มาถึงสมัยนั้นผู้ภิกษุชาภคคีเข้าวัดจกุดีเร็วเกินไปบ้างเวิรกผ้าเข้าไปบ้าง ถอนหายใจพลางถ่ายอุจจาระบ้างเขียวไม้ชมระฟันพลางถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะนอกรางปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายลงในรางปัสสาวะบ้างชมระด้วยไม้แข็งบ้างทิ้งไม้ชมระในช่องถ่ายอุจจาระบ้างออกมาเร็วเกินไปบ้างเวรผ้าออกมาบ้างชมระมีเสียงดังโจกโจกบ้างเหลือน้ำไว้ในกระโหลกชมระบ้าง บรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพท น, นาว่าฉนัยผู้ภิกษุฉาวคีจึงเข้าวัจกุดีเร็วเกินไปบ้างเวรผ้าเข้าไปบ้างถอนหายใจพลางถ่ายอุจระบ้างเคี้ยวไม้ชัมระฟันพลางถ่ายอุจระบ้างถ่ายอุจระนอกรางอุจระบ้างถ่ายปัสสาวะนอกรางปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายลงในรางปัสสาวะบ้างชมระด้วยไม้แข็งบ้าง ทิ้งไม้ชําระในช่องถ่ายอุจจาระบ้างออกมาเร็วเกินไปบ้างเวริรกผ้าออกมาบ้างชําระมีเสียงดังโจ๊กโจกบ้างเหลือน้ำไว้ในกระบอกชําระบ้างเล่าครั้งนั้นแหลภิกษุเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าละถึงจริงหรือ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิทรงแสดงธรรมมีคาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดในวัจจกูดีแก่ภิกษุทั้งหลายโดยที่ภิกษุทั้งหลายต้องประพฤติชอบในวัจจกุดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไปวัจจกุดีพึงเยืนกระแอมข้างนอก แม้ภิกษุผู้นั่งอยู่ข้างในก็ควรกระแอมรับพึงผ้าจีวรไว้บนราวจีวรหรือบนสายระเดียงแล้วไม่ต้องรีบเข้าวจัจกุดีไม่ต้องเข้าไปเร็วนักไม่พึงเวกผ้าเข้าไปพึงยืนบนเขียงถ่ายอุจระแล้วค่อยเวกผ้าไม่พึงถอนใจดังพลางถ่ายอุจระไม่พึงเคี้ยวไม้ชมระฟันพลางถ่ายอุจระไม่พึงถ่ายอุจระนอกรางอุจระไม่พึงถ่ายปัสสาวะนอกรางปัสสาวะ ไม่พึงบ้วนน้ำลายลงในรางปัสสาวะไม่พึงชมระด้วยไม้เนื้อแข็งไม่พึงทิ้งไม้ชมระลงในช่องถ่ายอุจจาระพึงยืนบนเขียงถ่ายแล้วจึงปิดผ้าไม่พึงออกมาเร็วไม่พึงเวิรกผ้าออกมาพึงยืนบนเขียงชมระแล้วจึงเวิรกผ้าไม่พึงชมระให้มีเสียงดังโจกโจกไม่พึงเหลือน้ำไว้ในกระบอกชมระพึงยืนบนเขียงชมระแล้วปิดผ้า ถ้าภิกษุถ่ายเว้เละเทอะวัจจกุดีต้องล้างให้สะอาดถ้าตะก้าใส่ไม้ชำระเต็มพึงนําไปทิ้งถ้าวัจจกุดีสกปรกพึงกวาดถ้าชานภายนอกรกก็พึงกวาดบริเวณรกก็พึงกวาดซุ้มประตูรกก็พึงกวาดถ้าไม่มีน้ําในหม้อชำระพึงตักน้ํามาไว้ภิกษุทั้งหลายนี่คือวัดในวัจจกุดีสําหรับภิกษุทั้งหลาย โดยที่ภิกษุทั้งหลายต้องประพฤติชอบในวัจจกุดีสิบเอ็ดอุปชายาวัตถกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในพระอุปชาสมัยนั้นสัตวิทวิหาริกทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในพระอุปชา บรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตหนิประนามโพลทนาว่าเช่นไหนสัตวที่วิหาริกทั้งหลายไม่ประพฤชอบในพระอุปชาทั้งหลายเล่าครั้งนั้นแลภิกษุเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าสัตทวิหาริกทั้งหลายไม่ประพฤชอบในอุปชาทั้งหลายจริงหรือ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 เราจะบัญญัติวัดในอุปชาทั้งหลายแก่สัตวิวิหาริกทั้งหลายโดยที่สัตวิวิหาริกทั้งหลายต้องประพฤติชอบในอุปชาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสัตวิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปชาวิธีประพฤติโดยชอบในอุปชานั้นมีดังนี้สัตวิวิหาริกพึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ถอดรองเท้าหฮมอุตราสูงฉ่วยงบ่าข้างหนึ่งถวายไม้ชมระฟันน้ำล้างหน้าปูอาสนะ ถ้าข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มเข้าไปถวายเมื่ออุปชาฉันข้าวต้มเสร็จแล้วพึงถวายน้ำรับภาชนะมาถืออย่างระมัดระวังอย่าให้ครูดล้างแล้วเก็บงาไว้เมื่ออุปชาลุกขึ้นแล้วพึงยกอาชนะเก็บถ้าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าอุปชาต้องการจะเข้าหมู่บ้านพึงถวายผ้านุ่งรับผ้านุ่งอาศัย ถวายประคดเอวถวายสังฆาติที่พับซ้อนกันล้างบาทแล้วถวายพร้อมทั้งน้ำถ้าอุปชาหวังจะให้เป็นปัจฉาสมณะพึงนุ่งให้เรียบร้อยปกปิดได้มนทนสามฆ่าประคดเอวหมสังฆาติที่พับซ้อนกันกลัดลูกดุมล้างบาทถือไปเป็นปัจฉาสมณะของอุปชาพึงเดินไม่ให้ห่างนักไม่ให้ชิดนักพึงรับบาตรที่มีของบรรจุอยู่ เมื่ออุปชากำลังกล่าวไม่พึงกล่าวสอดขึ้นในระหว่างอุปชากล่าวถ้อยคำใกล้ต่ออาบัตพึงห้ามเสียเมื่ออุปชาจะกลับพึงมาก่อนแล้วปูอาสนะไว้พึงเตรียมน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงลุกขึ้นรับบาทและจีวรพึงถวายผ้านุ่งอาศัยรับผ้านุ่งมาถ้าจีวรชุ่มเหงื่อพึงผึ่งแดดครู่หนึ่งไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด พึงพับจีวรเมื่อจะพับจีวรนพึงพับจีวรนให้เหลือมมุมกันสีนิ้วตั้งใจว่าตรงกลางจะได้ไม่มีรอยพับพึงม้วนประคดเอวใส่ขนดจีวรถ้าบินธบารมีและอุปชาต้องการจะฉันพึงถวายน้ำแล้วน้อมบินธบารเข้าไปถวายนำน้ำฉันมาถวายเมื่ออุปชาฉันเสร็จแล้วพึงถวายน้ำรับบาดมาเถออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูด ล้างแล้วเช็ดให้เสด็ดน้ําพึงแดดครู่หนึ่งไม่พึงพึงพ่งทิ้งไว้ที่แดดพึงเก็บบาดและจีวอเมื่อจะเก็บบาดพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาดใช้มือข้างหนึ่งคลําใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาดไม่พึงเก็บบาดไวบ้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวอพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวอใช้มือข้างหนึ่งลูบ ร, ราวจีวอนหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอก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 พึงบทจุนพึงแช่ดินเถรต่างสำหรับเรืนไฟเดินตามหลังอุปชาไปถวายต่างสําหรับเรืนไฟแล้วรับจีวรมาวางณที่สมควรพึงถวายจุนและดินถ้าสามารถพึงเข้าเรืนไฟเมื่อจะเข้าเรืนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรืนไฟไม่พึงนั่งเบียดภิกษุเถระทั้งหลายไม่พึงเกี่ยงการอาสนะพระนวกะทั้งหลาย พึงทำบริกรรมก่อุปชาในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงถือต่างสำหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลังจึงออกจากเรือนไฟพึงทำบริกรรมก่อุปชาแม้ในน้ำตนสงน้ำเสร็จแล้วพึงเครืงก่อนเช็ดตัวให้แห้งแล้วผัดผ้าพึงเช็ดน้ำจากตัวอุปชาถวายผ้านุ่งสังคาติถือต่างสำหรับเรือนไฟมาก่อนปูอาสนะเตรียมน้ำล้างเท้าต่างรองเท้า ระเบื้องเช็ดเท้าไว้นำน้ำฉันมาถวายอุปชาถ้าอุปชาต้องการจะให้เรียนพึงเรียนถ้าอุปชาต้องการจะให้สอบถามพึงสอบถามอุปชาอยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นสกปรกถ้าสามารถพึงชำระให้สะอาดเมื่อจะชำระวิหารให้สะอาดพึงขนบาทรและจีวร อ, ออ ก, ก่อนวางไว้ณที่สมควรพึงขนผ้าปูนัง่งผ้าปูนอนฟูกมอน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 ขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงต่างพึ่งพึงแดดชําระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกลับต <pressures prevail, S 1> ั้งไว้ตามเดิมฟูกมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึ่งพึงแดดชําระตบขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระถนพนักพิงพึ่งพึงแดดเช็ดถูขนกลับวางไว้ตามเดิมพึ่งเกล็ดบานและจีวร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 หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปชาถ้าอุปชาเกิดความเห็นผิดสัตที่วิหาริกพึงให้สละเสียหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยให้สละเสียหรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปชาถ้าอุปชาต้องอาบัตหนักควรแก่ปริวาาสัที่วิหาริกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนาสงพึงให้ปริวา่าแก่อุปชาถ้าอุปชาควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิม สัตว์วิหาริกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงชักอุปชาเข้าหาอาบัตเดิมถ้าอุปชาควรแกมานัดสัตวิวิหาริกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้มานัดแกอุปชาถ้าอุปชาควรแกอภานสัตวิวิหาริกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงอพานอุปชา ถ้าสงฆ์ต้องการจะทำกรรมคือตัชนิยกรรมนิยสกรรมปภาชนิยกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุเคปนิยกรรมแก่อุปชาสัตว์ที่วิหาริกพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงฆ์ไม่พึงทำกรรมแก่อุปชาหรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอุปชาได้ถูกสงฆ์ลงตัชนิยกรรมนิยสกรรมปภาชนิยกรรมปฏิสารณิยกรรม หรือโอเคปเนิยกรรมแล้วสัตธที่วิหาริกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนออุปชาพึงกลับระพฤชชอบพึงหายเยื่หยิ่งพึงกลับตัวได้สงฆ์พึงระ ง, งับกรรมนั่นเสียถ้าจีวรของอุปชาจะต้องซักสัตว์ที่วิหาริกพึงซักหรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงซักจีวรของอุปชาถ้าจีวรของอุปชาจะต้องตัดเย็บ สัตว์วิหาริกพึงตัดเย็บหรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงตัดเย็บจีวรของอุปชาถ้าน้ำย้อมของอุปชาจะต้องต้มสัตวิวิหาริกพึงต้มหรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงต้มน้ำย้อมของอุปชาถ้าจีวรของอุปชาจะต้องย้อมสัตวิวิหาริกพึงย้อมหรือพึงทำการขนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงย้อมจีวรของอุปชาเมื่อจะย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาดีๆเมืออ่อหยาดน้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงพากันจากไปสัตว์ที่วิหาริกไม่บอกอุปชาไม่พึงให้บาศแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับบาทของภิกษุบางรูปไม่พึงให้จีวรแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับจีวรของภิกษุบางรูป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 นี่คือวัดในอุปชาทั้งหลายสําหรับสัตว์ที่วิหาริกทั้งหลายโดยที่สัตว์ที่วิหาริกทั้งหลายต้องประพฤติชอบในอุปชาทั้งหลาย 12. สัตว์ที่วิหาริกกวัดตะกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในสัตว์ที่วิหาริก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 อุปชาทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในสัตธิวิหาริกทั้งหลายจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิแล้วทรงแสดงธรรมีคาถาแก่พิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดในสัตธิวิหาริกทั้งหลายแก่อุปชาทั้งหลายโดยที่อุปชาทั้งหลายพึงประพฤติชอบในสัตถิวิหาริกทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย อุปชาพึงประพฤติชอบในสัตวิวิหาริกวิธีประพฤติชอบในสัตว์ทวิหาริกนั้นมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายอุปชาพึงสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์ทวิหาริกด้วยอุเทศปริปุชฌาโอวาทและอนุสาดถ้าอุปชามีบาดสัตธิวิหาริกไม่มีบาดอุปชาพึงถวายบาดแก่สัตว์วิหาริกหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอบาดพึงเกิดขึ้นแก่สัตธิวิหาริก ถ้าอุปชามีจีวรนสัตทธิวิหาริกไม่มีจีวอนอุปชาพึงถวายจีวรนแก่สัตทธิวิหาริกหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอะจีวอนพึงเกิดขึ้นแก่สัตทธิวิหาริกถ้าอุปชามีบริขารสัตทธิวิหาริกไม่มีบริขารอุปชาพึงถวายบริขารแก่สัตทวิหาริกหรือพึงทาการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนา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 จึงยกอาสนะเก็บท่าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าสัตวิทวิหาริกต้องการจะเข้าหมู่บ้านพึงถวายผ้านุ่งรับผ้านุ่งอาศัยถวายพระเอวถวายสังฆาติที่พับซ้อนกันล้างบาทแล้วถวายพร้อมทั้งน้ำปูอาสนะไว้โดยกำหนดว่าเวลาเพียงเท่านี้สัตวิวิหาริกจะกลับมาพึงเตรียมน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว พึงลุกขึ้นรับบาดและจีวอนพึงถวายผ้านุ่งอาศัยรับผ้านุ่งมาถ้าจีวอนชุ่มเหงื่อพึงพึงแดดครู่หนึ่งไม่พึงพึงทิ้งไว้ที่แดดพึงพ G ับจีวอนเมื่อจะพ G ับจีวอนพึงพ G ับจีวอนให้เหลือ ม, มุมกันสีนิ้วตั้งใจว่าตรงกลางจะได้ไม่มีรอยพับพึงม้วนประคดเอวใส่ขนดจีวรนถ้าบินธบมีและสัตธิวิหาริกต้องการจะฉัน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 เมื่อจะเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดพระเถระไม่พึงขี่กันอาสนะพระนวกะพึงทำบริกรรมแก่สัตวิทวิหาริกในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงถือตังสำหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลังจึงออกจากเรือนไฟพึงทำบริกรรมแก่สัตวิวิหาริกแม้ในน้ำตนสงเสร็จแล้วพึงขึ้นก่อน เช็ดตัวให้แห้งแล้วลัดผ้าพึ่งเช็ดน้ำจากตัวสัตวิวิหาริกถวายผ้านุ่งสังฆาติถือตังสำหรับเรือนไฟมาก่อนปูอาสนะเตรียมน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้นำน้ำฉันมาถวายสัตวิวิหาริกสัตวิวิหาริกอยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นสกปรกถ้าสามารถพึงชำระให้สะอาดเมื่อจะชำระวิหารให้สะอาด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 พึ่งผึ่งแดดชำระตบข้นกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึ่งผึ่งแดดเช็ดถูข้นกลับวางไว้ตามเดิมพึ่งเก็บบาทและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึ่งใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลาใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาทไม่พึ่งเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวร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 ควรแก่ปริวาสอุปชาพึงทําการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้ปริวาสแก่สัตว์ที่วิหาริกถ้าสัตว์ที่วิหาริกควรแก่การเช็กเข้าหาอาบัตเดิมอุปชาพึงทําการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงช็กสัตว์ที่วิหาริกเข้าหาอาบัตเดิมถ้าสัตว์ที่วิหาริกควรแก่มานัดอุปชาพึงทําการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงเพึ่งให้มานักแกส่สัตทิวิหาริกถ้าสัตธิวิหาริกควรแก่อภานอุปชาพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงเพึงอภานสัต ธ, ธิวิหาริกถ้าสงต้องการจะทำกรรมเกิตัชนิยกรรมนิยสกรมรมปภาชนิยกรรมปฏิสารณิยกรมรมหรืออุเคปนิยกรรมแก่สัตทิวิหาริกอุปชาพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงไม่พึงทำกรรมแก่สัิวิหาริกหรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าสัธิวิหาริกได้ถูกสงลงตัชณยกรรมนิยสกรรมปัปพาตัยกรร ม, รรมปฏิสารณียกรร ม, รรรมหรืออุเคปนิยกรรมแล้วอุปชาพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสัธิวิหาริกพึงกลับประพฤตชอบพึงหายเยื่อหญิงพึงกลับตัวได้สงพึงระงับกรรมนั่นเสีย ถ้าจีวรของสัตวิท <and> ว <one emot discourse> ิหาริกจะต้องซักอุปชาพึงบอกว่าพึงซักอย่างนี้หรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงซักจีวรของสัตถ์ทวิหาริกถ้าจีวรของสัตวิวิหาริกจะต้องตัดเย็บอุปชาพึงบอกว่าพึงตัดเย็บอย่างนี้หรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงตัดเย็บจีวรของสัตวิวิหาริก ถ้าน้ำย้อมของสัตวิทวิหาริกจะต้องต้มอุปชาพึงบอกว่าพึงต้มอย่างนี้หรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงต้มน้าย้อมของสัตว์วิหาริกถ้าจีวรของสัตวิทวิหาริกจะต้องย้อมอุปชาพึงบอกว่าพึงย้อมอย่างนี้หรือพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงย้อมจีวรของสัตวิวิหาริก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 ทุติยภานวาระจบ